เราจะไปแผลง่ะแาตโยมของเราแล้วไอเขาเพราะอะไรอัไหมกินอยู่กับเขาแล้วจะไปแผเขาเรือระบาดช่บาทหอดไปรถพระมาฝากมดวัดมีเงินอยู่หาสิบบาทปีน่ะเขาจะไปแผลง่โยม่อุ่มมนมากิมาทานเขาโอมหมัดเงินหาสิบาทนี่วั่นค่าเดินทาพค่าวดสั่น่าวัดสิย่างออกไปจะพูดจ้วกาะั่นคันย่างออกไปช่วยจั่เกามันจะขล้ายหนาเทาี่วะเม่อไร่ะ เดีวมพักนี่สามขึ็นจริงว่าเขาเรยกหวัดเน็ตสายหามันเป็นเช่นนี้เน็ตสายห่ามันแก่ปะโตอันแก่ปะโตอันเน็ตสายอันแก่ปะโตเน็ตสายอันแก่บะตอันนี่ไปคับคุณวินิษฐันพรเชษฐ์จังถามมั่งถามคุณวินิ คนณมีงินได้สั่ยุดยุดรถตนี้นอสั่ยุดรถนี้นตัวไปเอาปากกาไม่เท่าไงสั่ไปเอาปากกาไม่เทาไงเดี๋ยวราคาสูงกว่านี้ขนอยสั่บาทหนึ่งสองบาทก็ได้ย้วะมันลืมันวุ่เอามาหางเชือมันมีแนวเขียนวะโย้นมีเยอะสองอันาอันเพราว่ก็ไปเอามาเอามาเงินเท่ายงินตัวอันในตัเอาเฉลี่ว่กเอาแล้วเงินดนะก็เอาเากับพิสไวิน่า่ะ พเพราะเป็นผู้สั่งโตได้ไหรอมันโตเป็นมาเองวาเขาเป็นผู้สั่างโตได้ไห ม, มันกับพิษสิวเขากับพิษพริ่งไน่แตสือพรวิ่าไล่เข้าไวยุตติวะบอกเขาท่านแถวนี้ห่วยาบอกก็ได้เอาแล้วว่าถือบอกก็ได้ <c oughs> เอาเป็น เ, ออน เ, เป็นได้ บ, บอกฟังยังไงได้บอกฟังยังบอกเคยกันเรืย <c oughs> อยยุคเก็ดพังหน้ายูคเก็ดพังหน้ามูอจะได้วอาท่านกับเส้มอะ คนเกษมเจนแดีวอยูู่่ก่ทางนาโอ้ยเพ่นคู่บาลานะบะซื่อยังนมูวะสั่มูเราสั่งเป็นนุ่มๆนอสั่งก็จเื้ออยงว่าสั่งเปรี้ฟันก็มีอยอันนี้ก็มีอยูรผ่าจีวอนก็มีอยเรเขาออกมาบักซื้อกแบบนี้เดยว่าว่าซื้อคนกูเทหัวัยามๆอยูู่เทอะมูพ่่ง่ักาได้ได้วะสั่เพ่นคู่บาลานบะซื่อยังจะเชือว่าสั่โอ้มันมีโยเนี่ยอยากชิฟันก็มีอยสั่ผ่าจีวอนกับมิมือันน ไปยักยื้ อ, อยังแล้วยววะกลัว่างสิฮเนี่ยฮะเนี่ยบัตรมาตัวก็บตรเกี่ยวเงินยักสตางค์ละฮบัรมาตัวหาเอาน า, าเอ า, ามาแต่พวกเกี้างามหาเอานาเไปได้เงนินนะ ม, มากผู้เดียวคันมาซึ่งนาเขานะี่เขาจะเงินค่าตับไปฮะเนี่ยคันมาซึ่งนาเขาคัน ต, ตัวเขาว่ามาอยามพี่น้องมาสินก็นเพราะไรอีกหนนเหรอฮะเยงินเขาเป็นโซค่าลับอีกฮะกูเมื่อฮอนบ้านกูแล้ว ก็ย่าของฉันเข้าเหิือนย่าเขาเป็นอาบัตปาราศิษขนเนยห่อยบ่ได้เว้ันเขาส่งเงินค่าก็บอะไรเข้ากับหาอบายออกไปเรือแล้วว่าสันหาอบายออกไปเื่อยมาเตมเต็มมาใตเติมแล้วกันฉนจนหมายถึงคนในอาบัตเนี่ยลาพระลาพระเชลารเละาเสบับนึล่าล่าลาลาอมสบับหนึ่งอาตมาวันที่เดือนพีพ่อแล้วกเวลานี้อาตมาไปพักที่นั่นที่นี่เวสัน คงจะไม่ได้กลับเชียแล้วคง จ, จะกลับภาคอิสานนะสังพ ร, ราะบรมมาสอาณาสัจาสั่งสอนว่าผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่จะอยู่กล ก, กันกว่าฝ้าสักเลนดินสักเพียงใดก็าตามเขาเรียกว่าอยู่ใกล้กันเลยทำอะไรอ่างเงียสัของอาโย่จะเขาพักตูวยังเขาเป็นเนบัออกบ อ, อ, ก อ, อ, ก อ, อกเปลี่นวตั ว, วิปัญญ า, าังยก็ว่าสัญองอาชญันนี้ห้องเขียนชีว่าอว่าของเทาเำไมจากทาปักไตผู้ที่เขาใจพิษ เลยเขาใจถึอวัดบาดนี่ผู้เพี่รโทษเท่านี้ทานผเขาใจถึอวัดบาเนี่เข้ามาโดยธี่ไรอะมันมันไม่นด้ป้อนเท่าเนีบาเนี่เาพูดย่างองอาจเพียงสพอพูดไสนาหลวงพุทศหลวงพุทศิษย์กับตายเดี๋ยวว่าสั่นว่าหลวงูมหาก็บพรตายเนี่ยประวัติเทเทากันแั่นเถอะท่านนีตายเข้าวกับวคชาขึ้กันละข้ากล้าพูดไสนาได้อยู่ว่าทีไหนสักหลวงปู่มหาหลวงพุทศิษากล้าพูดไนาได้ปอนเท่าเทาันไดคือกัรว่านัก แต่พนตายแล้วเขาจังเหตุกับปริคาคนี้อีกจำแล้วคนยังเป็นพานคนยังเห็นน่ยมันกเมนเนี inex. ่ต้องตมาคูเพราะว่าฝากขอมะคูมีิดออนนเนี่ยเห็นวางเลยเคารอนอันลกุเทมันสมัยเจสันกี้ตายม่แถว่าสันุงกเทมันสมัยเจสัอกี้ตายมันกระดแวสันออกไหมนะเขาคูอย่างนี้ออกบ้างนะ ออกบ้างไหมบอกบ้าคนกรุงเทพคนกรุงเทพฟารมภาคอีสานนี่ไปขี่ขี่ตอนีแต่ภาษาอันภาคอีสานเนี่ยก็ออกข้าเจาะเลยขั้วน้ำเลยไหมอืมขัน้าดูออกเต้ใต้น้ำข้าเจาะข้าเจาระบบน้ำจากภาคสาภาคอีสานน้ำจากเทียขีทีภาคัาบ้ดีดี องถนอมพูดไทยเก่งแต่ได้ยันี่ยองถนอมพูดไทยเก่งมั้งยังพูดไทยก็เมียดิสั่นนะบ่วกก็บอว่าห่วยเขือดเขือดมึงยิ่งพวว่าพวกพี่พวกพี่มึงสัมบวาเจ้าข่าเจ้าข่ามึงสัมบูดไทยเียก็เม คนแปว่าละหน้าเป็นเรื่องของคนเหมือนธรรมะอันเลือของคนจาเป็นจะคว้ารบกวนว่าจำเป็นว่ไปรบกวนมัมันเนียม <es> ันเป็นธรรมะอานเลืกตัวพวกว่าละหน้านมันนตื้นเลยเม่อจาเป็นว่ามันเนี้ยจะไปรบกวนจะเป็นอีนนี้มันจะคอยรบกวนกันมันจำภาษามันอะไรอ่ะพอราขยายขีบออกเนยว่ออกกั หองใส่มันกับเต็บที่อีวุแต่วเขาใส่เขาบวกเขต่อเขาก็ใส่ถิ่มอัตรกบพระเกิดเบิ่งไงอือหว่อยก็ใกล้เลาไล่ไปตัวได้องมวยคือผมเปลี่ยาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วเขื่อนลูกสิงห่ปไปเทดงานกลมและไฟรำกันลึ่งเรื่งๆกับตเมียเพื่นเมียเพื่นัน เราด่ดีบ้านหลานลุงสิงมันนไนหอกค่อยหยอกกระเพ้าลุงลุงเอ้มาเก็เขานั่นงช่วยแม่ลุงลาไม่ใชนทีทนททน่ทางรถไฟอันเป็ท่ทางโคบเท้าไม้นทากันท้รถไฟสถานีอุดรทาผัวเป็นเขาเอินเรียนในซื่อมาอี้เสด็เราระจัเฮ้ยหยอกกระเพ้าด้วย ว่ า, สาวสัาให้เราเจาก็ไ ด, <sm art> ดนนาา้นั่นนีั่นเราไม่ยังนํากันฮเรามมา่ยังน้องกันแล้วคออยออกได้ว่าตัวกับลุงสิงห์นี่แล้วม ท, วทั้งหัวทั้งมันคืบกันใสันหน้าคนนึงหญ้าคนนึงเป็นง้ามากคนหญ้ามากหญ้ามาน้าช่างถนนเฮ้ยจะมาคืบกันสองคนนี่ใครักพี่ไส้ข่ตัวสั่นจอมักพี่ไส้ไข่อยเจ้าเสี่ยวเับพี่ไออส้ไขอ่บอ มัดคอยเป็นน่องคนตัวว่าว่าพระจะเล่า่อนเรายางมาผู้เดียวเราตัวกรย่างมีัวอยู่เดียวบ่บุมเยมันรู้มีหัวราตัวเป็นผู้ใตพี่บ่าวม่้ใส่โบาก็จะไปทาบมา่อนมันมันนองเขาเลพีบาเขาได้หนิพบ้าวนี่ถือว่าเาอกมาลักษไว้แล้วตได้ผัวเขาป่ไหนล่ะเราเลียงมว่ายัวหรอ้ปูมาเนี่ยเพื่อนอ่านหนังสืออยู่ ย่งถามว่าหรือว่าูมันนิพพานไปแล้วจกนม่พระพุทธสืงปฏิบัติเป็นพระอริยะบุคคลกับสิมีอยู่ว่าสัง่งเขาก็ถามมันเขาป็ถามอันพวกลหันข้าวเข้าไปอ้าวข้าวเข้าไปอันอปล า, าที่แหลกอะไรพระเจ้าเขาป็ถามมนม เ, นเพืนนเนน่อนกัมันลืมกันได้รอกเพื่นได้แล้วยอมเพื่อน จะเป็นใครท่านอาจารย์มหาจะเป็นครอจาไปถามผู้ใดที่ยังมาเนกระยุนี้แน่อ่อาจารย่พูดอะกันไขึ้นเป็นบ้าที่หันร้หอกไม่ได้หันมาเซ็นพูดอะันวุ่ายหลงปู่มหาไม่รู้เลยว่าอาจารย์ไปหาเสือก็ขันเบิ้งนี่าเซ็นพระราหงไปหาเสือก็เบิ้งนี่มาเ็นนั่นน่ะเปบ้าหอกไม่ลร้หอกไม่ได้หันมาเซ็นหลปูมหา อันนี้ก็คือกันครับลุงสิงห์น่ละลุงสิงมันลืมตัวผ่อนละบัดเอาเท่าเท่าบัดเขาสูอัแเท่าว่าให้ไอ้หลวงปู่มหาอีนึงมันดื้อได้ออนทุ้งสูงมันมันเที่ยวมาตายมันยังอีนี่ไงฉันก็มาหาพรให้ไปหาที่บ่อเสีนมัน มันเทียงออก่ะเนี่ยมันเทียงออกเลืสูบไปมาเรื่อยๆขอให้เขาหนึ่งัรนี่าเียงปราหารมีมีควันนะควเบอกอยู่เลยม่งมัขาพักยไพักไะไรฮผีบอกว่าแต่มันว่ามันเทียงออกอ่นสูมันว่าไนเลืดเศ้ามันเลือดรูปากมนก็เลืหัวหนึ่งจกิงเข่าเยมหนวะรถแท็กไป ม้วห่อพ really? ่นว่าพ่นอนเจาตประทีตายตัวตายก้อนไข่เออเขาขายสินขายของเมื่อไบละอยบาทข่อยวกเอาเราเขยบาราวาเนี่หาบาทซื้อบาทเขาเก่าอันนี้คืกกันว่าอะรพระละหันก็ถว่าเอาบ่ว่าอะไรพระละหันพจะกทาอาณาขามี่บเอาบ่ว่าอะรพระอาณาข้ามี่พระสทาข้ามี่ก็เอาว่าอะไรพสกาข้ามีพระสสดาบันก็เอาบ่ว่าอพระสัสดาบัน ตายไปแล้วไปเกิดในพุทมโรคเกิดกำลังสร้างเมื่อเอาบ่เขา ม, ม่ได้ไปเกิดพทมรรคกำลังสร้างไปเกิดในสวรรค์เ่อเอาบ่เขาันได้ไปเกิดในสวรรค์จะเกิดเป็นมนุษย์อีกเ่เอาบ่ที่เอาตั้งเจ็บงไปมันกรับสัตย์ที่รักาบา่เนี่ยมันกิดอยู่บนโลกด้วยกันลอือสู้สือไปขายไปสู้เฮ็ดได้กขบก็ได้เป็นเศรษฐีรักเขาว่าเศษหน้าคือการพอขายของขึานไง เม่อได้เป็นเศรษฐีเม่ดีก็ไปลักคนมากินหนู่ดีก็ไปคนพ้นมากินเนาะมันการเดียวกันแล้วงั้นไม่ทำก็อันการปฏิวัติสิ้นท้าเียว่าเรื่องพวกพ่อที่รักไดเงี้ยข้าวและข้าวเครับผมเพื่อพันยอม่าหรอครัเสียงอ่อนะครับเสียงอ่อนนะคเสียงอ่อนมพวกขาเพื่อนเนี่ขาเพื่อนปกกัน กลาคาระนี่ครับบวนที่ซไปแล้ว่าระิกบปรัว้นซืที่ซื้ไปบออันพวกคารหวัแมฮพวกน้ําัมันมันมันมอบอบ่อจะเป็นการน่องเลือดน่องหลาตัว ไปไปบ้าอรล็กล็อกบอเรป็นไครับเ พ, พ ร, ะราะกองทหารเขา้าไปนั่นมนอกครับเ ป, ป็นไปบาเพาย่าอนอันนั้นอกว่าข้มันจริงนั่นอ่ะเ้าเขาว่าบาเขมืออกอันนี้าดกษิยห่งขันิย์ักสก็อย์แ ง, ง, งส า, างสหรับผมนี่มันดูสบาย น, นอันนี้เนี่ยไห้แค่ไปตามภาษาเราส่วนใหญ่กติกั้ง พวกผู้ว่าการพระเจ้าพระสงฆ์จะดอเขาสงฆ์เรื่องของตัวก็ทีเดียวอย่างนี้อยู่วะอืมกระจายที่องค์จันทร์มามาปัสสกาดีวะขมารอีกตีโง่ตีไฟของตรงตีท้ายหน้าไม่ค่อยหลัง เป็นพระมหาวันพระนันี่6ขบาจางวัดมันกวดต่ว่าอะไรอืมสวนอะไรอย่างเ้ยทุกาวเลือดมาเสียวย่อฟังว่าย่อฟังดิสตกิดิสติกิไปมหาธาตุเราเห็นนมูลบุญไเขาไปจกจกไปคนด่างคนดางก็ได้จุดไยคนย้อนไฟคนอีกฝันว้นว่าไรแบบดิสติกขึ้นอยู่ว้นอีนัทมหาวิกายไม่ได้ต้องลนึงนพกัน ข้มนันจริงน้าม้ตนน้ำพอรอนเพราะองค์เจ้าวเดวัดส่งอนุวไดส่งอัน้ น, นนะาบจแห่างบวบมหาขาดเมื่อเขามาทำน้ำมนน้าพรต้จงให้เขาตักน้ามาแต่ที่อื่นอย่าให้เขาไปเอาน้ำในวัดในมาขันนี่เนีอยนี่อย่าหวังขวนข้าข่ายยาเขาถ้าพูดได้หวังขวนข้าข่ายยาเขา เปนา บ, บัตทุกกฎเรียกว่าอนเนชนาหายังชีวิตไม่สมควรทิศสูปเป็นหอยยาก็เหมือนกันถ้ารักษาหาแลยราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ก็แจกไปว่ า, าเรียกอมูลข้ามาเช่นก่อนข้าไปแก้าจะไปซื้อยามาก็อย่ามาถ้าเราไม่มี พ, พอก็อย่าไปทําให้เขาถ้าทํำให้เขาก็จะทําดยนี่ตาส่วนในเรียกพระผ้าวัดบเบอร์เบอร์ห้ามอันนี้ขาดเลยวิทยาศาสตร์ยูกระย่งพงกระพันมู่นนี่ห่ามขาดเลย เราวิราบเสนีย์วิราบหงกอดโมนี่หาขาดด้วยว่าเฮ็ดช่วยน้ำม่อเปิดประตูยู่เปิดสุดๆยาชูเอาไว้นัากินเขาหเฮ็ดน้ำม่อนเฮ็ดให้เขาซะนะัยักสวรกวนเขาใรอาเขาเขาหายังเกาเขาบอให้จะไปตั้งตาดเปงชื่อชื่อเป็นมวยยาคมนั้นกันนันเนี่ยสมัยยุบันจะทราบหลวกูมาหาเฮ็ดด้วยหลวงปู่มันจะเฮ็ดด้วยว่าหง คันสมัยโยกพุ่นไปเฮ็ดมันกับเอาไว้แล้วคันว่าเอาน้าสาพุ่นคนไปตั้งร้าดยุ้ยว่ามันไสพอไปเฮ็ดแล้วเดือนนึงจะมีคนมาเที่ยนึ่สองเทื่ยไปพุ่นคันพุ่นไปเปิดมันกับพ่ได้ยุ้ยละพุ่นมั้งม้วนหน้าสาไวสักซางมันไงตั่วม้วนพุ่นจะว่าไปโ้นนะพุ่นจไปตทนนะพุ่นว่าล่ะเรียกปลาเวนตัวเปลี่นปีร์ม้เน็ด้ามัน อาจารย์อมมาตัวมาตว้มาสั่นมันก็บพวี่เครื่องูปนนอยกับคนจักข้กันองแล้วว้ามาสั่นอยู่ในหนังสือนักทาโทษมาั่นพราแม่คู่ว่าอาจารย์บว่งคนเขาขายยายังมันจะเป็นหยังาสั่นเลี้ให้พวกคน้อยแนี้ยาั่นผีปอบเขาสูงอู่สมอคูพวอาจารย์ก็เชอปอเลยแม่ะพวกผมหนัสือสิวาจไหนมาั่นมันเขาวิธีเขาพวกผมมาั่นคู่ว่าอาจารย์มอกับเขาแล้วเขาไม่สิาั่น เออสูกเขาไปเลยนี่เดี๋ยววันให้จขาวหน่งดอกนมันนะปูนกปูอันมันนีมมาให้น้ำมันโอ้ยลูกหลานเอ้ยมันใจบะเถืงมากุบระท่ำประสงค์สิบาให้ล็กปูหมดถ้ามันถึงมันกับบะเถืงเลยวสั่น ก็พัเฮียไปทะลว่าสัตวเท็ดตะก้อนแล้วก็เท็ดปัดเท็ดก็บว่าไอเท็ดเน่ารล้อธิษฐานกับแก้วก็แก้วจะแบบกับกดไปสูว่าสัตวสูเหน้าบมเปี่ว่าสัเมือเดือนหนึ่งจะมีสองคนหรือสามคนนั่งเดือนผมไม่สั่ในขลบผู้มหาเปิดน้มวอนห้อยหอดวัไอดวันไหนนั่งไหนนอดเลยชูมือมันี่นะบอกว่าท่นม่ะ กีกขั้ได้เท่นีนน่นะมันก็ได้อุ๊บเท่ๆดูขั้ได้เท่พูดพูดอะไรอย่างพู <c oughs> ดพูดไรอยาเียอกพ่ป้จะบอกเรียวๆฟังออกไหมเ้าพูดออกนะูดูดูดอดูดูดูดูดูดูดูด นั่บอกนะตัวนะตั ว, วเระเื่องเหลืองมนจะส้างบอกบ <c oughs> อ, อกนะภ <c oughs> าวนาเนาะเกียมตัวภาวนาทุกท่านทุกค น, น <c oughs> เนาเกียมตัวตายเกียมตัวตายคือเกียมตัวภาวนา <c oughs> ใกล้สะตายมากเพิพ่งใครว่าอะไรก็ต้องเพิ่งใจใยภาวนาให้มันได้ <c oughs> เอาไว้ใส่ห้าจดเกาะต้องา์ไล่์น้าจดเกอกใกล้จะตายับ ตีนก <terus> like ็ได้เย <Sho> <revision> ังจะเฝ้าหน้าตายระบาดไปแท้ก็ไม่รู้ก็้านละตายก็เฝ้าหน้าไปแท้ก็ไม่รู้ก็บนหลวงสันนอที่าาอยู่บนนี้อยู่บนเฝ้าหน้าวันสันนอตายก็ยังไงตายก็เฝ้าหน้าหลนเาบเพราะปัญญาถ้าจะแกะเขาหาว่าแกะก็ตามตายข้เฝ้าหน้าหลวงสนอรรถเียมตัวตายก็เรียมตัวเฝ้าหน้าตายกด้อันเดียรัน ผีประสาทนี่นยุังนห้วงดังเจ้าหายใจออกกับแม่ผีประสาก้อนเกิดก็ยุ่งนี้ันนี่หายใจออกกับก้อนเกิดก็จะกอนตายก็จะนี้นี่ เ, ออเมื่อก่อนนึง่งนนอามุนีน้าตัวน้ำโตมันกับม่กอกเกิดกอตายบัีผีประสานี่กับกเสียบปูปลาพวกปูแคบอยู่ในนี่เลยผีประสาทหนึ่งผีประสาทนี่กับห้ามไปในป่ามาขามเขาไปในป่าเน่ พีภาษาคำไม่ลรไมกดม่ลบไม่ละภา้าเร er ื่องาตาเนี่ยนี่เรียว่าภาพีภาษานั่นพประษาทั้ปรมตณพนั่นพีภาษานี่ะสมคลื่นหูดังข้นซอนไหแต่ออกจากเขาละแม่ละเช็ดคอร์รเกิดเกิดมีละหมนออกจากดักเมฆมาดักหันใจพ่อออกจริงจะมีรอยหนอนขอเส้นี่แหะก็เกินเช่นนี้ลหละก็ตายก็ตายข้างนี้ละ เนืนพระสูตรนีพ่พระพระปารมาตถายขาา้าพวรานะประมาตถ์น้าพุทโธสายข้าพโทโแต่ข้าพุทโธเกิดพกโมโลยามตํายางตาเกิด่มเนตยางตําจะเกิดสวังนะยางสูงจะเกิดพมโลกภานาสายข้าพุทโธจะเกิดพโมโลเลยเพนเป็นพุท่านสติเนย รธรรมะโนสติก็อยู่ในตัวนัข่ารโนสติกก็อยู่ในตัวที่ว่าพุณโทษคุณโทษว่าเป็นอัคคันย่อคือตัวจริงทัพโมทัพโกก็ยุหักเคยเห็นนากันอะไมว่าแว่าอัคคันย่อคือไปเห็นนาก็เห็นตาเท่กันเห็นดังเท่นน า, ากันกนี่ยบาวาันคืออ้าคันย่อไปเริกกันให้ตัวทัพโมทัโก ไม้พกน้กระสต้นน้เฮาหดสุทุกคนน่ะม้กระสต้นไรเสิบอยู่ต้กอต้นสุพทุกคนเหน็ น, น, ไนไหมต้น น, น, <c oughs> น้ำนาตู ก, ก็ไปมื่อนี้บ่ <c oughs> ไปน้ำมือโต บ, บ่รูคนนะไป ไปรถเบิ <rapper singers> <spe ahn ation> ้มฮะบวกเราบอกบอกเบิ <wan> ้มเลยบอมีคะแนยสูงว่าจริงจัสันฟักคนกตัวประกาศสันพระสุโมนี่เพื่นโมประกาศสันยังสันฟักเพื่นกับโว่าสันเนือเพื่นกับโว่าสันตาเพื่นกับโว่าภัยเหยื่อได้เค้กจะกินอยู่เพื่นเพื่อนโมประกาศนี่พวงโมนี่ตัวประกาศสันฟักก็เชว่าฟักเสริมก็งวั่น ก็เกับตัวบุงตัวน้อนมุนมันมึงช่างาอรหันนอนเถ่นอรหันบุงเั่อนกาพักกพูกินพักกันซาตอตายย้อนวะว่าสิเป็นพักว่าเขาขามาจากตัวอะไรตัวอะไหรออ่าสีดาสีนั้งใส่อะอ่าหัวไม้มึนกับจะนุงมันงอวมันตายเขาว่นก็จะกินงอค่อยตาย่างแองงอไถลาหลอยู่โอ้ดีเจ้าโตพระพทธเจ้าเฮ็ดบอกมากพ่อดีพ่องามหรอ โตปีนั่พุทธเจ้ากับโปีนั่งพุทธเจ้าใครของ่ามันวัดหลวงพ่อไต้พรกมีอยู่เขียนเตโต้เนี้ยหลวพ่อไต้พิโรกสร้างหมดพวกนั้นเป็นหมามันบ่ัพวกสืบเป็นพระพุทธศาสนาว่างกศิมามีศาสนาเจ้าพระพุที่รักบวชกับมานี้บอกนั่นนั่นเขาบอกว่าเนี่ยพวกปฏิวัติมาติกนเป็นคนงอ่มันบ่สัสใต่ตักรุงเทพว่าหุ่นแต่ักประเทศไทยว่าหุ่นงกศิมาศาสนาคือเรื่องนีบอก มัก็ทีนี้มาที่พระพุทธประธานพระสงฆ์จะวางผที่รักมานี่บ้านสันกันที่บอกบานสนเข้าเข้ากับ่บ่อเนดีอะไรเลยอาสันมันเกินไปเข้ามามันเกินไปเออถ้าว่าสงสีเตียน่าเข้าพเจ้าไม่เข้าขับสงฆ์เข้าพเจ้าก็จะเข้ากับสงฆ์านมันเกิดว่าเร่ยงขอตัวเข้าจากข้าหน้าว่รู้หรืข้นความเสาะอะไรขึ้นกันตัวมันเป็นย่างนี้ผมเห็นปู้ดเี้ยงมาไว้ยังไงเขานนี่ก็ได้ เท่านี้มันนงตายยุต่พูดนี่มันเขากับคณะสงฆ์เาเห็นผู้ได้วานนี่แหละเนี่ยตัวงูยักษ์หวังตายว่านะไปสู่เนี่ยมันโค้นสู่เท่านี้มันยึดสามารถมายุต่นีมันลายขามันหนีม่นยุหันผู้เห็นพนเหน่อย่ะเนี่กสนุกพระวนาสนุกปฏิบัติยุติธรรมีกํานักของกรของเนี่ ตัวเขาเมาั่ไยไฟสูงเหืนนักับไอ้ดินตายเห็นไหจา้า <c> บ <oughs> ่เขาออกสี่แล้วเขาออแต่พี่รกครบแตกเตะโตบ่พื้นครบแตกบ่หัวจักว่าแต่พี่รกเตะตูนโ ต, ต, ตเป็นผู้เกิดมาถ้าผอมแม่ผู้ที่เจ่า บ, บ่ซื้อมาถ้าขุนบ่แต่ของว่าก็เกิดมาว่าหรือตัวแต่สามารถจองห้องแถบ มันว่มันู้่ายมเป็นถ้ำอะไรมันพูน้อยองของสพง่่เดียวนี่ยข่าระวังิ่มันพูง่มมีเมตตากบเมตตามาหลายเดือนหลาีละมันแห้งแห้งขึ้นไปนาเรื่อยวันเอะแม่งกูมาคือพอม่กูผู้หนึงปอยสีผู้หนึ่งเอ้าคำว่าสงคนนี้เนีเทียนึว่ามันพูนัยเก่งหรพนั่นนึงผูนี้นึ่งพูนั่นหนึงพูนี่หนึ่งบแมแนบอมแนแม่งใส่ั่งก็พวที่รักนะจริงแต่ใครก็ว่าจังสั่นละวันเะเออ ที่เขาว่าเนี่ยพเถาเขาลเคยเพราะเ่าหนึงอยู่ในบ้านเนี่มึงวาเนแคแคปเก่งโกงมูมาสันโยกผู้นั้นนั่งผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นเ่านั่นแต่ว่าแม่เห็นไม่เหหมันไผสันพระเ่าสันโยกงูผู้หนึงพรไอ้สีผู้นึงเก่งโกงงูอยู่นี่สันอันนี้การียกันอะไรเนีเเห็นดีแล้ไเลาเป็นเป็นทุระทุลังยังไปวันูดเพิ่นนอกจาปฏิบัติยังไงเทากับปฏิบัติอย่างี้ เพื่นไทยชีวิตอยู่อืมถ้าจยากกินพักเขากินเส้นก๋วเตี๋ยวยงขึ้นก็จะไปยังอืมถ้าไปอุ่นเพื่อนยังเพ่นว่าพวเขายุบกับเพื่อนว่าเส้นข้ากับเขาสลัก็เล้ยตัวมั่อติเสียเปียกเสียดหยังนั่นแหละมณฑลทิศทิหาอืมแต่ผมนับเป็นคณะสองไทยนั่นเป็ประสุ่งึีกจากไปประสุ่งกับเป็ประสุ่งไม่อยากเปไปสูงกไ้ฟื้นน้อย้นุมเขาไปก็ได้อยู่สิใหญ่กอใหญ่ไงโตหามักสูแล้วคบกัรพอตว หรว่าผู้ใหญ่พวกหรือว่าผู้ผู้ใหญ่บ่มีเมตาบ่ามันผู้น้อยขี่รื้อผู้น้อยจองหองผู้น้อยว่างแผนสเยีบ ย, ย, ยบพ่อผู้ใหญ่เมื่ยวบ่มียำยันถือพัวแส่งคมชิดบ่มีย่ำยันถือแพ้แห้งพ่อคูมันอันนี้แล้วคําโมยล้านเพื่อนเหรอไม่โคตรเลี้ยแกโคตรว่าจัวแก้ก็ผ า, แ ก, กาแก้ก็สังขาร์เถึ่อนบุ่นเสียเอาให้มือพี่ซื้อเสียงอยู่นี่ นี้คือเสียงี่ตั้งสถิติมานะเนีย่ยก็ผู้ไปเรียมสาย น, นแตะโคนงงูเนี่ยแต่ว่วเห็นผลข้อมูลนี่ว่ทันทีแรกก็คือมูพักคือหลายแถบันา้ามันจิ้ว่าเปลี่นผลซําเร็ยไปเลยคือแตกกันหลายแต่เดียวเนี่ยนั่นแล้วกินเมือดโล่งตัวเข่ามือนเงี้หนึ่งถอนออกถอนออกถอนรองเนี่ยกินกระติ๊ต่อสู้ก็าินดได้บ้างเนี้นั่นอันนี้การเดียกัสนเล ย, ยี เราโกสูงออน้าออกมันคิดอยู่เข้าหูจังรอยปวดเส้นพันไปเส้นมืดไปเส้นศีลไเสผู้ที่เจ้ากระวอคอยล่ะสันพักสันเสันปาผู้ไหมีศรัทธาทำไรแก่ทำนั่นได้สนป่ารเิดสันคาเศษบมีศรัทธาบ่ไผู้ไหว่าปฏิบัติสวนศีลสมาธิปัญญาตัวนั่นัยบปฏิบัติบ่ ว่าเรเสียงค่าทีเสียุษฎีวันนี้ยอดสองี่ไป้าสีปี่สองประเทศนนี้เที่ยอดจ็ย่าบปฏิบัติบ่ไหนอันสสันพักก็ดีสันเกก็ดีสันเหนือก็ดีสันพราะเราว่าเป็นภูเขาบพามันเล่าเป็นจิปาลูกักมากินได้เมันเทาจิปปุวงาขั้วมากินได้องสันว่ามันมีไมนักกินสันเทาไปเห็นนังูกินได้บหรอป เ ห, เ, เหตุเช็คเหตุอะไรตัวในเจ้าหน้าหอเท่านหร่บอกเขาสั่นว่าถ้ามปลาปูพักปูมีกินพักตีขึ้กันนะพระพุทธเจ้าแต่ปลูว่างเสร็จแบบพระเห็นที่สั่นเป็นเจ้ามหันหอดจับพอกุบงวงมีตัวกุบงวงนี่เพิ่ก็ว่าให้จับอ่ะเป็นนิ้วขยิดเพิ่งวางสั่พวกนี้ทำว่ า, วาหามเลยหรอพวกนีน้เาพี่ก็าอยู่อันนี้ เขาภ่าพพี่ยหาสูงย่เาพี่หยเรื่องยนี้เลงปูมหาเลเอ้ยหลายปีลลงปูมหาบวเจ้าเอาหนังซื้อมันเข้ามาว่าจิสูบไปิมสนว่าามานสูบไปจิบมาันมือเเอาดีตะวันมาันเมื่ยบวัดนประยทกไทยนื้ันเม่เราผูให้คะแนนผู้ใดจะก้นนะั ข้าเห็นกี้ล ร, ร้ตอนไปโจกตีลบผู้แข็ง่หรอถ้งคิไปชมตีลรผู้แข็ก็มาโจกตีช่างเข้าสดิกข้อว่างส่วนน <c oughs> อ้อไปโจกตีเพราะทีั้นเพราะเป็นยาเสพติดของส น, นัลนกระละเ่อไรไอ้สันอันโตเป็นยา เสียบติดต่อสู่สลโลกอบกัดคุกคบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยสันลักษณ์เ้ื่ร า, าสั น, สนสเกียวแพ้อาสะนะเขาเพื่อนนี่ดีเนี่ย่างสัน่์เป็นค้นหัวดึงหัวแข็งยูพันจากยูห่วประเทศเพื่อนพันจาประเสรกกิฐเขเพื่อนมันจะเข้าไปง่ายไหก็ไดแม่นว่า น, า น, น, านันอะไรอยู่ทตัวปยุทธ่อนั่นี่ยันจะอาศัยมาเป้าออกบริษัทบริวารเพื่อนะเป็นบริวารตัวยุ่นนี่นั่น มัตจันยุตาคเป็นผู้รู้จักตนว่าเราชาติเราวา่าโดยชาติตระกูลรดศักด์สมหติบริวารและความรู้คุณทําเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรเอาพื้นตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัจจันยุตาคเป็นผู้รู้จักตัวเองหาเครื่องเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบการันยุตาเป็นผู้รู้จักการสมควรในการประกอบกินด้านนั้นพิสุวา ย, ย่างสอนยากพิสูวรรณห้าไม่ฟัง ข้าเนี่ยฮะเนี่คันราข้าวทอยากเป็นนีกไก่อื่นเท่าเนี่ยข้ากระยอดเสือเอาขาเหลืองพระองค์เจ้าไปก็เอาบาดพระองค์เจ้าไปบินกินละเบ้อเนี่ยมนนักอาศัยพระองค์ยุ่นเนี่ยแะเนี่มันนังมาอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นโลกยุ่นเนี่ยซุมอื่นเขาว่าอาศัยพุทธศาสนาเป็นโลกนี่พวกที่โป่ที่เปื่อยมึนก็พวกเส้นอะพวกอย่างพวกเส้นพวกซิกฤตอาศัยอยู่เลยอะ มอยู่พวกที่เบสก็มอยูเอาหลวงพระพุทธเจ้าไปไปเป็นชาติดามอยูเหรอเหรอจ้างเขาลอกเพ่งมาสั่เนี่ยย่งซูอยู่อันนี้เพราะว่าผู้ด่านอนี่ซูเฮียงสั่ง เขาไปลองเพลงเสียดเนื้อยยนเนี่สั่นม้ปันหาปัหาคูบันเดียร์่หัวใจคล้องบมดาสั่นแลัวโม้บัดดีบ่บัดดีตัวแล้วม้สั่นอันนี้โม้บางประวัติของตัวอะตัวมางเตะอย่างไรล่ะนี่ก็ตัวบวชอยู่อโศการามที่แระ ก น, นี้ออกไปไปตั้งก๊กตะตูไปบวชยุ้มบวนยุ้งมหานิการออกนี้แกมหานิกายเ่ยตัวก็ไปเป็นคนหัวดึงหัวแข็งตะก๊ก ต, ตะตูนี่ฮะนี่วันว่าจักทะเลท่าหรอไงแตว่าตัวเป็นยิ่งลกงลัวว่าพวกแหงหรืองก็กัึนเมืองลังของเจ้าคองเนี่ยะเจ้าคลองเป็นังไงนเนี่ยเนี่ยพีนาก็ตองพี่นาี่อนุนก็ไดเพรว่าที่ตัวถือขึ้นถือมืออรุณ เนว่ายอมบกพรองแย่แว oh, oh. ่งว่าเตตัวถือกวาดคุณแหว่งรดคนเท้านีไม่้แน่แหว่อมบกพร่องได้ไหมอือเอาป้าจ่ายเงินทำไมเอาป้าจาายเงนไมวะมีเอาาจายเงนไมบนเข็มเร็ีดและการมาทุบถอมตนแกผู้ใหญ่วะมีเนี่ยมิตตีเสมอบมดนี่ เข ม, มีการบูรพทอมตนเก้าผู้ใหญ่เลยเนี่นจะตีเสมอวรรัดนี่ยเอประจายนาำไมว่ดประเทศใต้ไว้พูดีทอโตซิว่ายังไงถึงันที่บันตัวต้องดีก็เขาเ ว, รรวัดเาอกขันว่าพวกที่ซื้อศาสนามานี่ก็ซื้อมาเบี บ, บ้ า, าว่านครับโตผู้ยอดเสิยงมากู่ศาสนาขึ้นใครๆก็ว่าถึงขันเ ย, ยนี่นั่ น, นมันคว่าซื้อพี่ มันเทิดเจ้าของเกินไปโพดเพอาวะว่าเซือก็ะวาเข้าอย่างสี่แล้วเข้ากับย่งสี่เนี่เขาอยานอกกนอเ้าอยานั่งเข้ากนั่งเาอยากพาวนหน้าเขากพาวนหน้าก็เห็นเพื่อนมาวังใดอย่างเรเเลยเพื่อนกไเกียทะยวดเพื่อนกับยุ่งอายุไข้ควบสะดวกอยู่เสียงก็ฝรังขวนเพื่อนก็ก็เดียแต่อตวหังอย่างวางหาวางสิบอีอยัาง ต้องแฝงร่งควาา้านมาทศาสต์วันเมื่อเราก็เดือดเจนเป็นเรื่องเป็นแถวนี่หมอสันว่าตั้งเขาเป็นพลักพักพระรังถ้ำงกรบมเพล่นอไปตั้งเพลินตัวยู่เบื้องหลังพักพ ร, พ ร, รังถ้ำนั่งไปทุล้ายังเขา าคพันล่างเท่ากับมาคพันธุ์แม่นี่แหละยุบเองหลังะตั้งขึ้นห่าวว่ายินดีเล้าไม่ห้าอุ่นรหวไรว่ า, วายินดีหา เขเห็นไปว่าเพื่นลพบุญันเขาเขาขันบุ้เห็นว่าลพบุญยันเขาเกิดว่ากีรอบอะไรราใป่ลพบุมันอปพระาหันฉียาครับสิพระรหันศรียาลบุันรับสิลันเพ่นก็บม่ได้ว่าเพื่อนเป็นพระาหันว่าเไปนั่งเห็นเพื่นเี่ยงอื่คนนับถือเพื่อนไปหาเพื่นไปถือเพื่อนก็ไ่ได้อวดอ้างว่าเพื่นเป็นพระาหันเนี่ยลพบุญมันอพนนับถือเพื่นไปหาเพื่อนเสือ เพิ่นกึ้ว้าเพิ่นเป็นซ่อนเพิ่นกึบว้ว้าเพิ่นเป็นเพหอขันเนี่ยตัวในไปทั้งหลายอรสู้งวงมาขึ้นากไงข้งอวนง่ามอวดแขวพินว้าฮาฮ่าฮ่า่่าาาา ขอาว่าเห็นหนีน้ำเพินเนี่ยคำพันธเทศทั้งสัตวสงสารเยอะมาขนาดนหนเห็นแบบไหนเห็นหนีตะพัดพวกที่รักกันเรียมสอนมานี่เราคดขี่คดปนบมมีในกรุงเทพหรอกคือเกา่นตัวขาวไม่อันว่าสัตวมียคนเขาตรล้างหรอกโย่เขาว่าอบปทานได้เดียวเนี่ย คนจน่คือไายแท้สันว่าอันหลุดสีโพดีรักทํ่ไมประเทศฝรับ้านเมืองถึงงบอ่ะมันคือจะมีารคือเกาแห้งไรก็เกาสมั้งหดประเทศเราค้นสน <c oughs> มามวคนนี้เย็นกระดกที่อังสันจีคนปนม่วมี่เนาะนกรุงเทียบพดีรักเทแต่เมื่อไเียว่าเสัน่ส รับตายิ่ซื้อมุ่มีอุบายเทศเอาค้นมีอุบายต่พระโพธิรักกันละไม่นบอือพระมหารโหงวัผู้ว่าอาการสันผู้ใหญ่ผู้เฒ่าม่มีอุบายทอพโพธิรักก็คนล ะ, พะโพธิรักหนึ่งว้ไปทางในคนนบจะมือเป็นหอนหมละแต่พาะคนที่คนปนมุ่มี่อะไยู่ในกูเทพอ่ะเ ข, ข า, ขาถือว่าคาฮอนพธิรักหงือว่าบุญเถอ ลูกสาบียดขาให้ก็ได้มันเกินรกแล้วสองสัตวแพเกษรได้หมดเนี่ย้าพระเจ้ามันกับสิ่นี้เขายึดพันนี่กายมันะไมเป็นเงสันประเทศตางเพื่อได้เองสันเพราะฉั้นอะไรเกษตไปตาเพื่อใจได้เองสันก็บกข้องกันว่าไแห้งที่ห้าก็ประเทศอินเดียพูดแลประเทศอินเดียก็มันเป็นกักสิบสองนี่กายกัพวมันมองกันเองสันแหละมันเป็นไปเองสันล่ะ อัวองค์ศาสนามาอยู่ประเทศไทยอี่เมื่อศาสนาพุทธแท้อ่าเนี่ยพวกที่ดูต้องเขาูใช่ามสถานของพระองค์เจ้ามืไรพวกทีนดูจะเลื่อนตำแห่สุนสมึงไงเอออ๋อทรัสินค้านบริวารในศาสนาพุทธกับทรย์สินค้ามบริวารในศาสนาอื่นๆเอาอันไหนเป็ลายเส้นเอาเี่ยบใช้มึง้ พเยซู้ไดเขาได้เอาช่องเฮ็ดบ่เขาได้เอาเงินเอาข้เฮ็ดบ่ขายได <ene. S 1> ้เงินทอดสามตตาบ่ว้ม anyway ีไปไปพูดซืออยู <word> ่ม nice. mm. ันพุทธเจ้าือมีไดกันมีจะผูดซื้อโซโลบ่วนั่นน่ะท่านกับพ่อตัวเอาขาพระเยซูได้เขาไปวาอยู่ซึงมือบ่าด้พุทธเจ้าง่มขาดพรนงว่าเข้ามาวายกันนี่ว่าท่นโอ้ยอือขาดพ่อเยซู้ได้มีพูไปวายยู่ใสเอ๋ ปลูกปนผู้ลูกแก่แท่งสลอวไปปลูกตีลูกปูอันนี้ครับล้านปูครับร้อยสามสิสสมมบครับหนึ่งบางที่ราเป็นผู้หลงผิดอยู่ได้กลับมาปฏิบัติในสินห้าและสินแปดต่อไปครับการนักษาสินห้าก็คือคือการ รักษาตัวเองนั่นเองก็คือรักษาใจตัวเองนั่นเองที่ละเมิดศีลห้าก็คือละเมิดคุณความดีของตนนั่นเองเพราะตนเป็นผู้มีศีลเพราะศีลสามารถอยู่กับตนได้เพราะตนเป็นมนุษย์เต็มภูมิศีลห้านี้เป็นของชาวโลกไม่ใช่ของพิสุทธิ์สามเณรพิสุทธิ์สามเณรมันกลายมาผ่านมาแล้ว ถ้าชาวโลกมัมีศีลหา้าชาวโลกก็เดือดร้อนทั้งความประพฤติทั้งภายนอกและภายในด้วยถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายทั้งหลายก็ไม่ได้ล่วงละเมิดถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายกฎหมายหมู่กฎหพายพวกก็ไมไ่ต้องตั้งมากเพราะศีลทั้งหลายมันเป็นเครื่องสงบแล้ว เขามาเวรมณีเวรมณีแต่ละบทละบทก็คือเว้นแล้วจากเวร ท, ทั้งหลายมีห้าข้อในสินห้าเวนห้าข้อนี่เว้นแล้วแต่ว่าสินห้าปลดอาวุธของเวรภัยในส่วนนี้ก็ถูกแต่ว่าสินห้าเป็นสินที่สมท า, านไม่ให้มีเวรมีภัยห้าประตู ก, ถก็ถูกผู้มีสินห้าบริวณเกาเรียกว่า ปิดประตูเวีนภายให้าอย่างแล้วกระตูเป็นทัพยภายในอีกด้วยศีลเป็นเครื่องประดับของนักป่าเป็นเครื่องประดับของมนุษย์แก้วแหวนแสนศักดเนเครื่องประดับภายนอกประดับจิตประดับใจภายในศีลเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจของนักป่าภายในี้ ผู้จะไปผู้จะมีสุขแม่กายวาจาใจก็ดีผู้จะมีสุขในภพนี้และพบหน้าก็ดีผู้จะมีสุขตลอดถึงพระนิพพานก็ดีก็เพราะมีศีลพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีศีลก็คล้ายกับว่าต้นไม้ไม่มีรากแก้วเหตุฉะนั้นสังขายนาสั้งที่หนึ่งองค์ท่านจึงสังขารยานาศีลเสียก่อนเพราะศีลเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา เวลาแก้วของกิยของใจของความบุพตพอันนี้สงของศีลข้อหนึ่งคือปาณัธิบาสถ้าเว้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปตกนรกเรื่องปาณัธิบาสเราก็ไม่ได้ไปตกนรกและเราก็ไม่ได้เป็นเปรต เ, เราเกิดถ้าพบหน้าชาติหน้าอีก เราก็มีอายุยืนเยอะยืนยืนยงคงทนไม่ค่อยมีโรคไข้ไขเก็บเพราะไม่ได้เบียดเบียนจับถ้าหากว่าเราร่วงเราเมื่อเสี่ยงฟาตน้นตายไปก็ไปตกนรกถูกพยายมเชือนเนื้อเชือนตัวเชื้อคอเชื้ลร่น จากนั่นมาเป็นเปรตตัวหลายรอยปีในมนุษย์หลายพันปีในมนุษย์ออกจากนั่นมาเขามาเป็นสัตว์ที่รชานก็ถูกเขาฆ่าอยู่ทุกชาติทุกครบออกจากนั่นมาเป็นมนุษย์ก็ถูกเขาฆ่าเ ข, า, ขาแกงอยู่ทุกครบภะถูกเขา ข, าขาฆ่าเหมือนกันมนุษย์แล้วเป็นผู้มีโรคมากอีกด้วยเบียดเวียน โรคเดืดเดียดสักคนละล่ะรังกายถ้าไม่ถึงทำให้ถึงกับตายการเดืดเดียยนบบก็เป็นคนไม่โรคมากกับอายุยืนสักเพียงไม่กี่ขตามก็ตกป็คนยีโรคมากถ้าหาความไม่ละเมิดสินข้อต้นอายุก็ยืนด้วยโรค ก, ก็ไม่มีด้วยมีแต่โรคชราส่วนเดียวแล้วก็ไปสวรรค์ด้วย ไปเป็นสุขทีในสวรรค์ด้วยสิลงข้อสองนี่เองถ้าเราไม่ล่วงละเมิดเราก็ไม่ไปตกนรกสิ่แต่ละข้อละข้อถ้าล่วงละเมิดไปตกทางนั้นตกนรกทางนั้นนรกแปลว่าสิ่งที่ทําให้เดือดร้อนในคิดในใจสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลอยู่ว่านรกมันรกอูที่คิดที่ใจนรกอยู่ในความประพฤติของเรานนั่นเองเรียบเหมือนไฟ ถ้าเราเวนจากอาทินนาทานอันสมของการอาทินนาทานเราก็มาไปตกนรกทีนี้ถ้าเราพูดเรื่องหนึ่งแล้วมันก็เข้าใจเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นปฏิบัติ ก, กันผู้ที่ร่วงเราเมิดอาทินนาทานตายไปก็ไปตกนรกออกจากนารกมาก็เป็นเปรตออกจากเปรตมา ก็เป็นสัต์ติรานออกเป็นรัตว์ติระานมาก็เป็นมนุษย์มีอะไรต่ออะไรเขาก็เบียดเบียนหมดเขาไม่เคารพถูกลักลกจกหอ่อที่พ้นสารพัดนันข้อที่สามการมีชีวิตชาจารถ้าเราล่วงละเมิดตายไปกอไปตกนรก ออกจากนารกมาแล้วก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตมาแล้วมาเป็นสัตว์ที่รักษาออเป็นสัตว์ที่รักมาแล้วก็มาเป็นมนุษย์มีบุตรมีหลานมีลูกมีเมีย ม, มีผัวก็ เ, เอาไปล่วงละเมิดหมดเขามายำไม่เกรงเลยในเรื่องกามาร้มข้อมุสาทีนี่ ถ้าเราพูดปวดตายไปก็ไปตกนรกอีกเหมือนกันพระยาโยมก็ตัดลิ้นอีกเหมือนกันเพราะมันพูดปวดทุกคนทุกขาเวียชาอยู่ในนรกมากมายอีกเหมือนกันนี่พูดอย่างยอดที่สุดนี่คนออกจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นสัตติรชานทนถ้าเป็นโคเป็นกระบือก็ถูก เขาทำําเราเอาเนื้อเหยียบตายหรือชนตายถ้าเป็นมนุษย์ก็ตายด้วยการอารมณ์นี่พวกพูดฟดที่ตายไปเป็นต๊กนาลกเขาดฟดนะ่ะออกจากนาลกมาเป็นเป็ด เ, เอาจากเป็ดมาเป็นคนปากเหม็นทีนี่พูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อ มีแต่คนมาต้มมาตุ๋นมีแต่เขาโกหกพวกลมหมดชดสุราใช่ถ้าเราล่วงละเมิดตายไปเป็นตุกนรกออกจากนรกมาเขาเป็นเปรตออกจากเปรตมาเขาเป็นนักเทเลฉานนักเทเลชานก็เป็นม้าบ้าบ้างเป็นสุนัขเป็นโคบ้างเป็นเป็นโคบ้าบ้างเป็นควายบ้างเป็นผู้เสียเฉดพิษตะหวง ไม่เป็นสัตว์ที่บริบูรณ์ออกจากนั้นมามาเป็นมนุษย์เป็นผลบ้าบ้าเสียชดิตผิดมนุษย์อีกตั้งหลา ย, ลายชาตินี่เรื่องทุราเรื่องวิสาลโพทีนี่เป็นศีลของพระอนาคามีต่อไปอีกอันนี้ผู้มีศีลห้าบริบูรณ์เนี่ย ว, ว่าศีลพระโสดาบันเป็นศีลสุปฏิปันโนไม่ด่าวไม่พ่อยพระโสดาบันไม่เสียดายอย่าล่วงละเมิดศีลเลย พอเห็นน่าไม่มีประโยชน์มีแต่โทษสิ่งเดียวอืไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดและไม่สงสัยในศีลด้วยอืถือว่าเป็นเวรเป็นไัยจริงๆถ้าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันจะผิดศีลพระโสดาบันไม่ได้ว่าพระโสดาบันไม่เสียดายอยากทาเลยพอเห็นโทษโดยตรงๆไม่มีคุณมาปนเลยเหตุฉะนั้นจึงไม่ล่วงละเมิดเรียกว่าศีลรักษาโสดาบัน ไม่ใช่พระโสดาบันรักษาศีลศีลมารักษาแล้วพราะพุทธชฌคนหนาต้องรักษาศีลเหมือนนายโคบานเลี่ยงอยู่เสมอเสมอเพราะเกงมันจะหายไปพระโสดาบันไม่ได้ระวังเพราะไม่เสียดายอยากจะร่วงก็เลยไม่หนักใจผู้เสียดายอยากจะร่วงมันก็หนักใจ น, นั่นเท่านั้นก็พอแล้วยุคลโพก็เหมือนกันนี่ยุคลโพ อ น, นั้นสินไป้มันเป็นสินของพระอนาคามีถ้าไม่ด่างไม่ฟ้อยตัดความเป็นห่วงเป็นไงในการกินจับจับจั บ, จบแกบจะไม่เป็นกังวลด้วยอาหารที่กินไปก็จะย่อยดีนัจกจะทีขวัญรำทำเพลงทำให้ลืมสินลืมทำ ก็ไม่มีในกิจของท่านเสียเวลาเพื่อเพลินในการมารุมเพื่อเพลินในสินเนเพื่อเพลินในเขาขับรำทำเพลงมันเป็นการปกปิดธรรมะไม่เห็นเนี่ยเพราเพลินในว่าต้าสงสารเน่ยเพลินในว่าต้าสงสารไม่ใช่เพลินในธรรมะแต่เราไม่เพลินเราก็ไม่เลิกถึงธรรมะเสียแล้วยิ่งทำให้เราเพลินเราก็ไม่เลิกคิดถึงธรรมะเนี่ย เจ้าควา น, นี่มาลาเจนี่เครื่องรองห้องหอมนี่มันก็ขัดต่อศีลธรรมอีกเหมือนกันเพราะจะจะไปติดอยู่แต่เครื่องหอมนทัดทรงเครื่องหอมเพื่อให้มันสวยมันงามมันก็ขัดต่อธรรมะมันจะชักนำให้เราหลงรูปหลงกาย วุตยาเตียงที่สูงเกินไปห้ามม่ให้อยู่นุ่นที่ยัดนุ่นยัดหมอนมันสะดวกสบายเกินไปมันจะลืมสินลืมทำมันจะลืมฟุกไงว่าตาสงศาลทีนี้เตียงสูงเกินไปเตียงใหญ่เกินไปมันก็มักไหญ่อยสูงนี่มันจะทําให้ลืมสินลืมทำ พเพราะไปทำเพาะละเอียดกว่าทิศห้าไปอีกกํากจัดทละเอียดละเอียดต้ยกว่าอีกพระอนาคามีไม่เสียด้ย <c oughs> ไม่เสียด้อยากล่วงละเมิดเลยพระอนาคามีพูด ถ, ถึงพระโสดาบันก็ภาวนารักลักภาวนารักทารนรักศีลลักภาวนาลักค ว, า พ, วาพวพทุทธธรรมพระสงค์ยิ่งกว่าชีวิตเราตนเอง รักสินห้ายิ่งกว่าชีวิตของตนเองจะตายด้วยสินห้าก็ยอมอไม่ได้ค่าสัตว์ตัดชีวอตมันจะตายก็ยอมตายอยุ่งกับอย่างนี้ก็ไม่ได้ตีได้ตบได้ต่อยก็มีพเสื้อผ้านุ่งกันมันเสียแล้วนุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็เพื่อกันลุงกันลื่นกันหนาว การความละอายไม่เนี่เพื่อเพื่อเพื่องามอะไรมันก็ไม่ยากมีเท่านั้นไม่ยากมันถ้าเราไม่ต้องการมันเป็นของอยากหมดนะ่ะถ้าเราต้องการเป็นของง่ายหมดมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราจะอธิบายมากแล้วย่างไหนถ้าเราไม่ต้องการต่องกอดนะ ถ้าเราเชื่อแล้วมันก็ไม่ได้พูดมากหรอกถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นไัจริงๆก็ไม่ต้องได้พูดมากหรอกมันถอยเองมันแค่ข้าเขากเห็นไฟถ้ารู้ว่ามันร้อนแล้วมันมันก็ไม่เสียดายอยากจะให้ใครมาบอกหรอกอย่าไปจับไซเนออย่าไปจับไซเนออย่าไปจับไซเนอก็ไม่ต้องบอกเขาใหม่มันรู้จักว่ามันร้อนเนี่ยมันรู้จักในใจของมันน่ะมันหยุดเอง อย่าบอกเรื่องไรมากลู่สักแล้วมันก็พูดตอนนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าการล่วงและเมิดศสินไม่มีประโยชน์เราก็หยุดได้นถ้าหากว่าเราถือว่ามันมีประโยชน์อยู่บ้างเราก็หยุดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเช่นเลขเช่นผ้าเช่นบัตรเช่นเบอร์ก็มันเหมือนกันถ้าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์เราก็หยุดไม่ได้เห็นว่ามันเป็นคางชิมหายตรงโต้งมันก็ไม่เที่ยรายทำนัน ที่เราเห็นว่ามันชิบหายเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นเวรมันภัยจริงๆก็แปลว่าเราเห็นถูกไม่ใช่เห็นผิดไม่ใช่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นถูกนะเห็นตามเป็นจริงเห็นชัดด้วยมันก็เลิกได้ท่านั้นสินห้าข้อเมื่อเราเลิกแล้วมันก็มาเป็นชิ้นข้อเดียวอยู่ที่ใจสิ้นแปดข้อเมื่อเราเว้นแล้มันก็มาเป็นชิ้นข้อเดียวอยู่ที่กจไม่ต้องรักษาหลายประตูพราว่าเราไม่เสียดายอยากจะลงเสมอด มันจะเป็นทุกข์ใจทําไมที่มันเป็นทุกข์ใจอยู่ก็เพราะเราเสียดายอยากเดืร่วงละเมิดเทียนธาไปสุสัมมณี น, นี่เหมือนกันเนี่ยผู้มาบวชเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะเสียดายผู้หญิงเนีเสียดายอยากเสพอยากสมเขาอยู่มันจึงเป็นทุกข์ถ้าไมเสียดายาเสียดย้ยมันกดหมดกันนั่นถ้าเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆนั่นเรามาเห็นเราเห็นโทษอันไหนเราก็ต้องเคหลาบอันนั้น บุคคลผู้เห็นโทษเกิดแก่เก็บตายอย่างนี้เขาก็มายินดีในเกิดได้แก่ได้เก็บได้ตายเมื่อได้เกิดมาแล้วก็ตั้งใจทำความดีเพื่อจะมาให้มาเกิดแก่เก็บตายอีกเท่านั้นไม่มีความหวังอะไรอีกเลยในเรื่องเกิดแก่เก็บตายนั่นพอเห็นภัยอย่างเต็มที่ภัยเกิดภัยแก่ภัยเก็บภัยตายอันเดียวกันเพราะมันเข็ดอยู่ในตัวเกิดมามันเป็นทุกข์ชาติพิทุกขาเนี่ยเกิดมาเป็นทุกข์ผู้มีเชิญห้ารับรองแล้ว ก็สา ม, มารถได้พระสวสดาบันสกจธคามีอน า, าคามีพระหลักฐานเหมือนกันผู้มีศีลท่าเป็นพื้นเม่อกิดมันสูงศีลท้งหลายมันวิ่งขึ้นไปเองสมาธิทางหลายก็ ว, วิ่งขึ้นไปเองปัญญาทางหลายก็ ว, วิ่งขึ้นไปเองไม่ใช่จะอยู่ระ ด, ดับเก่า อ, อย่านี้เมื่อไม่กำหนดแนหนังหุ่มอยู่โดยรอบแล้วไม่ไม่มีโทวสะเลยแม่แต่นิดเดียว มันกลายเป็นศีลพระอนาคามีไปสักอันศีลห้านมันเลื่อนขึ้นเองมันไม่ต้องมีผู้ใดมาบอกเลื่อนเลื่อนขึ้นในกินในใจเองพราอมันทำได้มีอันในก่อนในหลังเมื่อมัมีโรคไม่มีกวดไม่มีหลงเห็นโทษในโรคกวดหลงแล้วมันไม่โรคไม่ปวดไม่หลงเลยมันก็กลายเลื่อนเป็นขึ้นไปเป็นศีลพระอรหันต์ไม่ต้องรับก็ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นสําหรับคราว่าสไม่ไม่ยาก พระเนรเรามันยังยากอยู่ว่าพราะอาศัยเขากินเดี๋ยวภาวนาไม่ดีเขาเป็นนี่เป็นศีลเขานไงเพราะเขามากินพวกรู้ว่าในสะดวกกว่าพขากินของตนเองไม่เป็นนี่เป็นศีลใครแรียปฏิบัติศีลธรรมพระ <c oughs> ของพระโสาบานี่เวนจเอรักษา สี่ห้าเป็นนิจสินแล้วก็เป็นจากอาชีพห้าอย่างของบาสกบาติกาถูกแล้วก็ล่าปลายามุกทั้งหมดเรื่อยหมดครป บ, บายามุกเว้นทุกอย่างเลยครแล้วยังมีอย่างอื่นใคชื่อว่าเขาจะบงบอกีไม่ไม่ขอดเวรใครเขาจะทําผิดเขาจะมาทําให้จนหน้ามตาไหลก็ตามไม่ขอดเวรไม่แก้แค่ ไม่จองเวรองเวาฆาตจองเวรถูกใจเก็บไม่มีถ้าครัว่าเคยทําเข้ามาแต่ชาติก่อนขอแล้วเราไปเซเนอร์ครับพรเจ้าจะไม่ตอบต้องนึกอย่างนั้นถ้าเขามาก่อหมายข้าพรเจ้าคงจะไม่ตอบอีกให้กันไปซักนึกเท่านะั้นไม่ได้ให้มันชีพาหายตายคว่ำอย่างนั้นอย่างนี้อืมมันมาเบียดเบียนกูเพราะมันชีพาาหายเพราะมันตายควม่มเพราะอยากให้มันร่ํามันรวย เพราะให้มันอดมันยากอย่างนั้นนี้การศาดแช่งไม่มีในพระพุดาวันไม่มีการศาดแช่งในศัตว์ทั้งหลายเนเช่นนั้นจึ่ปิดอบายพภูมิเพราะปิดอยู่ที่ความประพฤติแล้วปิดความประพฤตินนั้นไม่ไปละแล้วไม่ไปท้าเวียนท้าไผอันนั้นปิดประตูปิดประตูใจปิดประตูใจที่ไม่ร่วงไม่พากายและวายชาไปร่วงละเมิดเดี๋ยวก็ปิดประตูปิดประตูทางเวียนไผ่เวียนไผ่สวนนั้นปิดประตูแล้ว อาฆาจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในทันเนี่ยฉะน่นจึงเป็นพระอริยบุคคลเขาลบสิ้นห้ายิ่งกว่าชีวิตไม่ใช่ได้ผู้พระอนาคามีก็เขาลบสิ้นแปดยิ่งกว่าชีวิตนี่บ่ายมาแล้วไม่ต้องกินอาหารไม่ค่าขายเครื่องประหารอีกไม่ค่าขายมนุษย์อีก แม่ค้าขายสัตว์ปีนและน่วสัตว์ที่ตัวข่าอีกไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษอีกไม่อไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ขายไม่เลี้ยงโกเลี้ยง ก, กระบือไว้ขายไม่ทํำน้องปูน้องปลาไว้ขายน้องปูน้องปลาก็ไม่ทําไห่ขายไว้ขายเป็ดไก่ก็ไม่เลี้ยงขาย ก่อนก็ไม่เรื่องขายผูกของพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี่ยังมีความโกรธยังมีนี่แต่แม่ลูกเวรมีโกรธอยู่จะไม่ผูกเวรควาโมโกรธแล่วผูกเวรมันก็ไม่มีเรื่องล้าค่ายเขาว่าความโกรธแล้วไม่ลูกเวรมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องที่มันมีเรื่องอยู่ก็เพราะมันผูกเวร ถ้าใครกับตีมมือเดียวนี่ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ดังเขราให้ขอเวนก็ใครทําลายเวนแล้วทำลายพืชของเวนแล้วเพราไม่สาบแช่งใครมึงเถอะมึงเถอะมึงจะเก่งป่าไหนออมึงไม่เสียอิสระาส่วนนั้นกูก็จะทําให้มึงเสียชื่อเสียงอย่างนี้ไม่มีในประเทศลาวันกูจะเป็นหา พูดไปนินทามึงให้มันเป็นให้ให้ให้มันเป็นคนเร็วมึงมีราบมียศอยู่กูจะไปหาเหา่หาหาฮอนหาอะไรให้มึงเสียอิสระภาพให้มึงเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มียศก็ไม่มีในกระทรวงดับบันเป็นอย่างนั้นไม่มีขี้หึงไม่ไม่มีอิจฉาดิสยาเลยถ้าเราเคยทําเขาแต่ชาก่อนก็ให้แล้วไปเทนู้นึกงอยางนั้น ถ้าเขามาทําใหม่ก็ให้แน้พไปธุเนอข้าพเจ้าจะไม่ตอบใครๆทั้งสิ้นผูกขาดแน่ข้าพเจ้าไม่เสียดายอยากตอบเลยถือว่าเป็นเวรเป็นภัยอย่าง เ, เช่นเขาเขาเกิดแบบว่าด่าเราหรือกันแน่กันแหนเราเรือว่าพูดจาพยาบาทหรือพูดแบาดดบว่าเด็กเล่นหัวผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเรานิ่งเฉยเสียเนี่ยกับการที่เราโตตอบเนี่ น, นการนิ่งเฉยเสียจะดีกว่า การนึงเชื้อเสียดีกว่าเขารู้จักเองเขาก็ามีโยงคนหนึ่งเป็นพระโสดาวันอยู่ที่อุดอรเขาเชื่อาจาร์ถาจานา์ า, นาทาแก้วนามตะ ก, กุลเคยบวชนานเมื่อพลาราชิค้าออกไปเขาไปไ ป, ไ ป, ไปเป็นประหลัดอำเภอที่นี่มู่เพื่อนเขาชวนไปในโรงอาหาร แกก็ไปด้วยแกก็ซื้ออาหารให้หมูให้เพื่อนแกก็กินกับหมูกับเพื่อนแต่สุราแกไม่ออกเพื่อนเพื่อนสำหรับสุราผมไม่ออกกเพื่อนเพราะผมไม่ไม่กินเพื่อนก็อยากซื้อสาผ ม, มเพราะเนะดิมสุรามาองเดืนสุสุรามองแล้วก็ เอามาเทรถหัวแกที่นี่พอมาแล้วเทรถหัวแกอยู่ที่โรงอาหารนั่นเองเทรถหัวแกเราจะไปแผละ่ช้ยาดของเราไล่เขาเพราะอะไรอะไรนกูกินอยู่กับเขาแล้วจะไปแผละเขาเรื่องระบาดต้องมา